เชา้าหมาเาราือรัชพัฒชัยภูมินิมนต์ให้ไปแสดงธรรมแก่บัณฑิตที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาก็ไปแสดงธรรมในช่วงที่เ ข, เขากำลังมีการซ้อมรับปริญญาและเพิ่งรู้ว่าการซ้อมรับปริญญาเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจังมากเพราะว่าซ้อมสามวันซ้อมสามวันแล้ววันนี้ก็ซ้อมใหญนะ่เพื่อที่จะได้ไปรับปริญญา วันที่28ที่จังหวัดสกลนครขนาดเป็นการซ้อมนะก็มีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาร่วมจะเรียกว่าอะไรแสดงความยินดีนะไม่ใช่แค่สังเกตการเฉยเฉยเสมือนกับว่าเป็นการรับปริญญาจริงๆนะแสดงว่า พ่อแม่ญาติพี่น้องนี่มีความภาคภูมิใจมากที่ลูกหลานของตัวเองนี่ได้สำเร็จการศึกษานี่ขนาดแค่วันซ้อมนะก็ยังมากันเยอะแยะมีการซื้อดอกไม้มีการซื้ออะไรต่ออะไรมาเพื่อเป็นรางวัลหรือว่าเพื่อประกอบการถ่ายภาพก็ไม่ทราบแล้วก็เชิญนาว่าพอถึงวันที่28นะ ก็คงจะเหมารถกันเหมารถตู้ขับรถส่วนตัวกันไปร่วมนะฉลองการรับปริญญาของลูกหลานทางอาจารย์ที่นั่นก็บอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงไปกันตั้งแต่วันที่ 28, 27นะจากชัยภูมิก็ไปสก ล, ลคนครไปค้างคืนก็ต้องจองโรงแรม โรงแรมนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลก็คงจะคิดค่าห้องแพงนะอาจจะเป็นพันนะนะคิดถึงค่าใช้จ่ายค่าโสหุ้ยในการรับปริญญาทั้งซ้อมเล็กซ้อมใหญ่แล้วก็รับจริงๆนี่ก็คงจะหลายพันทีเดียวเผอเเป็นหมื่นด้วยซ้ำแต่ว่าพ่อแม่นะลูกญาติพี่น้องนี่ก็ คงไม่เสียดายนะเพราะว่าสําหรับคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยมันเป็นเกียรติยศมันเป็นเกียรติอย่างมากทีเดียวที่ลูกหลานได้รับปริญญาก็เชื่อว่าพ่อแม่หลายคนก็คงจะเป็นชาวนาชาวไร่ตัวเองไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับปริญญาบัตรก็อยากจะให้ลูกหลานได้ เป็นตัวแทนนะได้รับเกียรติยศอันนีนะ้เมืองไทยเราก็ให้ความสําคัญกับเรื่องปริญญาบัตรมากก็พร้อมจะทุ่มเทนะเงินทองเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนจนกระทั่งสําเร็จลูกหลานก็ไม่รู้ว่าตั้งใจเรียนหรือเปล่านะเพราะว่าหลายครอบครัวก็เรียกว่าตั้งเรียกว่าจ้างลูกจ้างหลานมาเรียนเลย ลูกอยากได้โทรศัพท์มือถืออยากได้คอมพิวเตอร์อยากได้รถมอเตอร์ไซค์นะพ่อแม่ก็พร้อมจะซื้อให้เพียงเพื่อให้ลูกได้เรียนจนจบนี่ยังดีนะเพราะถ้าเป็นที่อื่นนี้ก็จะต้องซื้อรถให้ที่นี่พ่อแม่คงจะมีปัญญาหาซื้อให้ได้ก็เฉพาะรถเครื่องนขนาดนี้ก็เรียกว่า ค่าใช้ใจ่ายไม่ใช่ใ น, น้อยๆเลยหน่วยกิจก็แพงสมัยนี้สมัยตมาเรียนธรรมศาสตร์นิสึกรวยกิจละยี่ิบาบาทบ้งเดี๋ยวนี้หน่วยกิจแล้วมันเป็นเป็นร้อยเป็นพันแล้วพ่อแม่หลายคนก็ต้องยอมขายไรย่ขายนานะเพื่อให้ลูกได้ได้เรียนจนจบปริญญาลูกจบปริญญาแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะ จะจบนะถ้าพูดถึงตามหลักการแล้วนี่ลูกจบปริญญาแล้วก็ต้องต่อไปนี้ก็ต้องช่วยตัวเองละต้องทํามาหากินด้วยตัวเองพึ่งลําแข้งของตัวเองแต่ว่าในเมืองไทยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพ่อแม่ก็ต้องคําจุนหนุนส่งบางทีก็ต้องหาช่องทางให้ลูกได้ทํางาน ให้ลูกได้ไปทํางานในอาบาตาให้ลูกได้ทํางานในอาบาจอบางทีก็ต้องซื้อรถให้ลูกนะลูกอยากได้นะลูกห่าจบปเรีญนาแล้วนีดน้องต้องมีรถแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าแทนที่จะหาเงินซื้อรถเองนะให้พ่อแม่ซื้อให้พ่อแม่ซื้อให้แล้วเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญญาหางานได้คุ้มค่าหรือว่าสมกับ พ่อแม่ได้ทุมเทหรือเปล่ามันนึกแล้วนี่ก็วันทีก็น่าสงสารน่าเป็นห่วงด้วยว่ า, าหลายคนที่อุตสาหภาพเพียรเรียนจบจนได้ปริญญาบัติมาเรียนจบยังไงก็ไม่รู้นะได้มาแล้วนี่ก็ท้งหน้าที่พ่อแม่ก็ดีใจเจ้าตัวก็ดีใจ รู้สึกว่าตัวเองได้เป็นบัณฑิตแต่ว่าจบมาแล้วนี่มีงานทำหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้การหางานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็วิชาความรู้ที่ได้เรียนมามันมากพอที่จะทำให้ได้เรียนได้สามารถหางานทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเป็นราชการนี่ก็ไม่ยากนะเขาก็ดูจากปริญญาบัตรดูจากวุฒิแต่ถ้าเป็นหน่วยงานเอ ก, กชน เขาก็ไม่ได้ดูแค่ปริญญาบัตรไม่ได้ดูแค่วุฒนะเขาก็ดูความสามารถดูว่ามีวิชาความรู้ที่จะมาใช้งานได้หรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่ไพ่กอกชนก็มักจะบอกว่าความรู้ที่ได้มาจากมหวาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่พอมาทำงานกับเขาาก็ต้องฝึกเพิ่มเติมความรู้เข้าไปเพราะว่านักศึกษาจำนว น, นไม่น้อยเนี่ย อ่านก็ยังไม่คล่องเลยเขียนก็ไม่คล่องนะอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องแล้วจะไปทำงานในไเอกชนได้อย่างไรนะอันนี้ก็ไพ่กชนเขาก็บ่นกันอันนี้ก็เป็นปัญหานะที่ลำพังแค่วิชาความรู้ทางโลกนะที่ได้รับเรียนมาก็น่าสงสัยว่า มันจะพอทำให้เขาเนี่ยสามารถจะทำมาหากินได้หรือเปล่าหลายคนพอได้จบเรียนจบแล้วก็รู้สึกว่าถือตั ว, ถ, ตวถือตนว่าฉันเป็นบัณฑิตฉันเป็นปัญญาชนก็จะเกิดอาการหยิบโยงจะให้มากลับเข้ามาทำงานในหมู่บ้านก็ไม่เอาถือว่าเสียเกียรติยศแต่ท่านจะไปทำงานที่อื่นก็ โอกาสก็น้อยนะเพราะว่าแข่งขันกันสูงนี่เฉพาะเรือวิชาทางโลกนะก็ไม่แน่ใจว่าเขามีความรู้แน่นพอหรือเปล่าในการที่จะไปทำมาหากินแต่แม้จะมีความรู้ที่แน่นนะมันก็ไม่ใช่ว่าชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้าได้นะ คนเราเนี่ยนะจะเจริญก้าวหน้าได้แล้วก็มีความสุขไอความรู้ทางโรคเนี่ยมันแค่เป็นส่วนประกอบเป็นส่วนเท่านั้นเองมันต้องมีวิชาชีวิตนะมาเป็นส่วนสำคัญด้วยวิชาความรู้เช่นคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษวิชาบัญชีหรือแม้แต่พยาบาลหรือแพทย แม่จะสำคัญนะในการประกอบอาชีพแต่มันก็ไม่ใช่หลับประกันว่าทำให้มีความสุขได้มันต้องมีวิชาชีวิตนะแต่เดี๋ยวนี้วิชาชีวิตนะก็ไม่มีที่ไหนสอนสมัยก่อนวิชาชีวิตอาจจะเรียนจากพ่อแม่พ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูกกินข้าวด้วยกัน พ่อแม่ก็จะเล่าก็พ่อแม่ก็จะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์บางทีก็เล่าทิ่ทานเล่ า, าเรื่องชาดกให้ลูกไอ้พวกนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวิชาชีวิตนะนี่พูดถึงสมัยก่อนถ้าเป็นคนอีสานก็จะเล่าเป็นพยานะ พยานี่ก็เป็นสุภาษิตนะที่สอนชีวิตสอนใจได้ดีมากเข้าวัดก็ได้ฟังธรรมะก็ได้ซึมซับรับเอาวิชาชีวิตนะเข้าไปทําให้เห็นความจําเป็นของการทําความดีและขณะเดียวกันก็เห็นความจริงของชีวิตด้วยใจเดียวนี้นะพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาที่จะสอนลูก เด็กก็ไม่มีเวลาเข้าวัดบางทีเข้าวัดพระก็ไม่ได้สอนธรรมะเพราะมันมีแต่พิธีกรรมส่วนในโรงเรียนนะก็ครูก็สอนแต่วิชาทั้งโลกวิชาที่จะใช้ในการท ร, รมาหากินแต่ว่าวิชาที่จะใช้ในการดาเนินชีวิตให้มีความสุขอันนี้เดี๋ยวนี้ก็แทบจะไม่สอนกันละ วิชาชีวิตคืออะไรนะวิชาชีิตก็คือวิชาที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตของตัวเองเข้าใจว่าชีวิตมันคืออะไรชีวิตประกอบด้วยอะไรชีวิตมันเป็นไปอย่างไรและชีวิตควรจะให้เป็นไปอย่างไรแล้วก็จะดำเนินชีวิตอย่างไร ในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะพุทธศาสนาเนี่ยจะให้คำตอบเกี่ยวเรื่องวิชาชีวิตได้อย่างรอบด้านแล้วก็เป็นระบบชีวิตประกอบด้วยอะไรนะชีวิตประกอบด้วยขันห้าไม่มีอะไรที่มันเกินไปจากขันห้าได้ขันห้าคือรูปวบฒนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปกับนามกายกับใจ แต่พูดเท่านี้คงไม่พอนะเพราะว่าเวลาพูดว่ารูปกรรนามกายกระจยเราก็อาจะมึนนึกถึงกายใจของตัวเองนะแต่ว่าขันธานี่มันรวมไปถึงสิ่งนอกตัวด้วยทรัพสมบัตินะบ้านเรือนอาหารการกินนี่ก็เป็นรูปนะส่วนเรื่องนามธรรมนะก็จัดว่าอยู่ในฝ่ายนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ชีวิตเป็นไปอย่างไรนะชีวิตก็มีความแปรเปลี่ยนไม่คงทีนะ่ถ้าพูดอย่างสรุปง่ายๆคือนะมันเป็นอนิจจังมันไม่สามารถจะคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้ก็เป็นทุกขังแล้วมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนชีวิตเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครที่จะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจปรารถนาได้ ไม่มีแม้กระทั่งเทวดาที่จะดนบันดาลให้ชีวิตเป็นไปาตามที่ใจปรารถนามันอยู่ที่การกระทําก็คือการสร้างเหตุสร้างปัจจัยในการสร้างเหตุปัจจัยนี้ก็เรียกว่ากรรมอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่นะเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความพัดพรากสูญเสียจากของรักของชอบใจทั้งนั้น ไอ้สิ่งนี้แหละนะคือความเป็นไปของชีวิตที่ทุกคนต้องประสบไม่ว่าชีวิตจะรุ่งเรืองเ จ, จิดจรัสเพียงใดสุดท้ายมันก็ต้องหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความพัพนาสูญเสียและความตายแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าชีวิตเรานี่จะลอยไปตามกระแสของความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับสวะที่ลอยไปตามกระแสน้าเราไม่ใช่สระเราไม่ใช่จอกแนะ ที่จะลอยไปตามกระแสน้ำแต่ว่าการดำเนิเนเชี่ยวคงไม่ต่างจากการล่องแพรหรือการเดินเรือแม้กระแสน้ำจะเชี่ยวแม้จะมีเกาะแก่งแต่เราก็สามารถจะบังคับให้เรือมันไปตามจุดถึงจุดหมายปลายทางได้มีจุดมีเกาะมีแก่งก็สามารถที่จะหลบเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะสัญจรด้วยแพรหรือว่าเรือก็ตามถ้ามีความสามารถในการคัดท้ายเรือคัดท้ายคัดแพก็สามารถจะพาไปถึงจุดหมายได้โดยไม่เกยตื้อหรือไม่โดนเกาะแก่ชนจนพังอันนี้แหละเป็นเรื่องความความสามารถที่ว่านี่ก็กกคือกรรมนั่นแหละคนที่ทํากรรมดีแล้วก็มีสติปัญญา ฝึกฝนพัฒนาตนก็สามารถที่จะนำพาชีวิตให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางได้โดยใสยกระแสน้ำหรือกระแสงเหตุปัจจัยเป็นเครื่องหนุนสงให้ไปถึงจุดหมายงั้นถ้าเราไม่เข้าใจนี้เราก็เข้าใจว่าก็ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมการปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมอันนี้ก็ไม่ต่างจากการ ทำตัวเหมือนกับจอกแหนแต่เราสามารถที่จะใช้กระแสน้ำเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการพาตัวยให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ฉันใดก็ฉันนั้นเราก็สามารถใช้กระแสธรรมชาติกระแสเหตุ ป, ปัจจัยเป็นประโยชน์เพื่อที่จะพาชีวิตของเราไปถึงจุดหมายจุดหมายคืออะไรจุดหมายสูงสุดก็คือความพ้นทุกข์นิพพาน ถ้าถามว่าชีวิตควรให้เป็นไปอย่างไรนะก็คือควรไปให้ถึงความพ้นทุกข์เข้าถึงนิโรธนั่นเองและชีวิตควรดำเนินอย่างไรนะก็มักมีอง์8อันนี้ก็เป็นคำตอบที่พู้เจ้าได้ได้มอบให้กับพวกเราตั้งแต่ที่ได้ทรงคนพระธรรมแล้วก็สแสดงปฐมเทศนาวิชาชีวิตนะ ก็มีคำตอบอยู่แล้วนะในคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งแสดงออกมาด้วยหลักอริยสัจสนะี่นะขันธ์ห้าไตรลักษณ์นะนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะพอถ้าเกิดเราได้ได้ฟังบางทีก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากเรื่องหนักนะยิ่งเป็นภาษาบาลีด้วยแล้วนะก็ทาให เกิดความกลัวขึ้นมาเจ้ที่จริงแล้วนี่ถ้าเรารู้จักตั้งคําถามว่าชีวิตของเรามันคืออะไรมันเป็นอย่างไรและควรให้เป็นไปอย่างไรและจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้ถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราตั้งคําถามแบบนี้เนี่ย เราก็จะพบคำตอบได้จากคำสอนของพระเจ้าโดยที่ไม่จำเป็นต้องอไปไปเรียนจากตำรับตำราแต่ว่าศึกษาใครครวนจากชีวิตของเราหรือว่าการที่เราได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็จะสอนเน้นไปคนละแง่ แต่ถ้าเรารวบรวม <c oughs> หรือสรบนะมันก็ไม่พ้นจากที่พูดมานีการที่เราได้ศึกษาการที่เราได้มาสมาทานตนเป็นชาวพุทธเนี่ยนะถ้าจะให้ได้ประโยชน์นะก็หมายความว่าเราได้เรียนวิชาชีวิตนี้จนสามารถที่จะนำมาใช้กับตัวเองได้ คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนับถือพุทธศาสนาเพียงแค่เพื่อจะได้มีที่พึ่งที่พึ่งคืออะไรก็คือพ ร, ต ร, พระตนธรมรมะทงน์แต่ส่วนใหญ่ก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างเดียวเป็นที่พึ่งในความหมายที่ว่าทำให้อบอุ่นใจหลายคนก็นับถือพระเจ้าไม่ต่างจากนับถือเทวดาหรือนับถือพระเจ้าก็หวังอานาจดนบันดาลของ พระองค์หรือว่าอัมหวังอิอทธิฤทธิปฏิหารจากพระพุทธเจ้านะมาคุ้มครองตัวให้อยู่รอดปลอดภัยนะชาวพุทธจํานวนมากก็นับถือพระตนัตไกรหรือพระพุทธเจ้าในแง่นี้เท่านั้นก็จะคอยไปกราบไหว้พระพุทธรูปเพื่อขอให้ท่านคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัย มีโชคลาวาสนาไปกราบพระกามรากฏไปกราบพระหลวงพ่อโสธรไปกราบพระพุทธชินราชหรือว่าห้อยพระแขวนพระเอาไว้อาการนับถื อ, อพุทธ ศ, ศาสนาแบบนี้นี่มันไม่ช่วยทำให้เกิดปัญญาเลยและ ม, มันไม่ช่วยทำให้ นะมีวิชาชีวิตได้แต่ถ้าเกิดเรานับถือพุทธศาสนาแล้วเราสะดับฟังคำสอนของพระ เ, เจ้าศึกษาพระธรรมแล้วก็ดำเนินรอยตามพระอริยสงฆ์นะที่เป็นแบบอย่างให้กับเราได้อันนี้แหละนะถึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเพราะว่ามันช่วยทาให้เราได้ คนพบวิชาชีวิตนะเป็นวิชาที่ไม่ใช่แค่ท่องจำอย่างเดียวนะแต่ว่านำไปปฏิบัติ ด, ด้วยวิชาทางโลกนี่มันเป็นเรื่องการใช้ความคิดเส้อมากนะแต่ว่าถ้าเก่งแต่ทฤษฎีนะไม่ไม่ไม่มีทักษะมันก็เอาไปทำมาหากินได้ได้ยาก เรนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับกายวิภาคเรียนรู้เรื่องยาแต่ว่าไม่มีความไม่มีทักษะในการรักษาไม่มีทักษะในการเยียวยาก็ไม่สามารถที่จะเป็นหมอเป็นพยาบาลได้วิชาชีวิตเนี่ยมันต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยเมื่อเรานำมาปฏิบัต ก็ทำให้เราได้ค้นพบว่าทำแล้วได้ผลทำแล้วเห็นผลจริงก็ทำให้เกิดศรัทธาและการปฏิบัติก็ทำให้เรามีความรู้งอกเงยมากขึ้นการปฏิบัติสำคัญมากนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเนี่ยบุคคลเนี่ยต้องรู้จักคบหาการยานมิตรคบหาสัตบุรุษ แต่ควบหายเดียวไม่พอนะต้องสดับย์ทฟังธรรมจากท่านด้วยฟังธรรมจากท่านแล้วยังไม่พอนะต้องรู้จักคิดไข่ครวรตรงนี้ฉันใช้คำว่าโยนิโสมณสิการคิดไข่ครวรแล้วนะตกผลึกแล้วเห็นจริง<อ>เห็นจังแล้วนะมันต้องลงมือปฏิบัติ และต้องปฏิบัติให้ถูกด้วยนะท่านใช้คำว่าธรรมานุธรรมปฏิบัตินะสี่ประการนี้เนี่ยนะคือครบสัตบุรุษฟังธรรมจากท่านรู้จักใครครวรด้วยโยนิโสมนสิกการแล้วก็ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องคือธรรมานุธรรมปฏิบัติเนี่ยตรงนี้แหละที่จะทําให้เกิดปัญญาชนิดที่สามารถจะพาตนออกจากความทุกข์ได้ มีวิชาทั้งโลกนะร่ำรวยแค่ไหนนะประสบความสาเร็จเพียงใดมันก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขเสมอไปถึงแม้ร่ำรวยแค่ไหนก็ยังทุกข์ทุกข์เพราะว่ายังอยากได้อีกทุกข์เพราะยังมีไม่พอทุกข์เพราะว่ามีศัตรูคู่แข่งทุกข์เพราะว่า เจอความเจ็บความป่วยเจอความพัดพลาเจอความสูญเสียในะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเงินทองนี่มันช่วยได้นิดหน่อยแต่มันไม่สามารถจะบรรเทาความทุกข์ได้แต่ถ้ามีวิชาชีวิตนะเช่นมีความเข้าใจมีความเห็นมีความตระหนักว่ามันเป็นธรรมดาคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในระหว่างนั้นก็ต้องเจอความพัดพลาดสูญเสีย เมื่อเรารู้ว่านี่เป็นความจริงของชีวิตนะเมื่อเจอเข้ากับตัวก็ทำใจยอมรับได้นะแต่ถ้าไม่ไม่เรียนวิชานี้นะมันก็จะมีความเชื่อผิดผิดมีความหลงว่าชีวิตนี้นะจะประสบแต่ความเจริญอย่างเดียวนะไม่มีเสื่อมไม่มีแปรผยนไม่มี แปรผันเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าชีวิตนี้ต้องเที่ยงเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าทรัพสมบัติทั้งหลายต้องเที่ยงอันนี้เป็นความหลงนะที่สวนทาวกับความเป็นจริงถ้าเกิดว่าเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตนะพอเจอความผลันผลวนปนแปลขึ้นมาเราก็ทำใจได้เพราะเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้น เมื่อมันเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองตาทัตาตาเป็นเช่นนั้นเองถ้าคนที่ไม่รู้ความจริงนี้ก็จะทุกข์นะทุกข์เพราะเสียดายทุกข์เพราะความอะไรทุกข์เพราะความอาวรณ์รวมทั้งทุกข์เพราะความกังวลวิตกนะอันนี้ก็ต้องนะต้องมีการฝึกจิตฝึกใจด้วยนะ ไม่ใช่แค่รู้แบบปริยัตินะที่เราสวดมาเมื่อสักครู่นะอภินิหารปัจเเวกเนี่ยเราท่องได้ทั้งภาษาไทยภาษาบาลีแต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกนะไม่ฝึกฝนจิตใจอยู่เสมอไม่ใช่เพียงแค่พิจารณาใค ร, คร่ครวนความเป็นจริงของชีวิต แล้วก็เตือนใจเตือนตนอยู่เสมอแต่ว่าต้องรู้จักสร้างสติสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นด้วยเพราะถ้าไม่มีสติเมื่อไหรนะไม่มีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่พอเวลามีอะไรมากระทบนะมีความผันผลลวนปรวนแปรเกิดขึ้นก็หมดเนื้อหมดตัวจมอยู่ความทุกข์จมอยู่ค ว, วามเศร้าโศกเสียใจ ถ้าไม่มีสติแล้วนะปัญญามันก็ไม่เกิดเวลามีอะไรมากระทบแล้วเนี่ยแม้เราจะเสียศู์สักพักแต่ว่าสติมาทันสติมาทันก็ทำให้เราระลึกได้ว่าออชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละนะมันก็ทำให้เราปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เพราะมีปัญญาเห็นความจริงและที่ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะมีสติ สตินี่มันเป็นตัวเปิดทางให้ปัญญาเข้ามาเพื่อช่วยให้เราเนี่ยออกจากความทุกข์เมื่อมีสติแล้วมีมความรู้สึกตัวไอ้ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้จะทำอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลมันก็ต้องเริ่มต้นที่สติเริ่มต้นที่ความรู้สึกตัว ถ้ามีความสึกตัวเป็นจุดตั้งต้นนะไอ้ที่เหลือนี่มันก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหลวงพ่อคำเขียนั่นเคยท่านพูดว่าเนี่ยให้มีความสึกตัวไว้ตั้งต้นที่ความสึกตัวแล้วที่เหลือมันก็ จ, จะดีไปเองเมื่อเรามีความสึกตัวเป็นจุดตั้งต้นมีสติเป็นเครื่องรักษาใจ ไม่ว่าเราจะทําบุญให้ทานมันก็เป็นการทําบุญนะที่ถูกเป็นการให้ทานที่เกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่ถ้า ม, มีความสึกตัวแล้วแม้แต่การทําความดีก็สามารถทําให้เกิดเป็นทุกข์ได้ขับรถไปทําบุญทอดกระถินทอดผ้าป่าแต่ไม่มีสติในการขับรถ นะลืมตัวไม่รู้สึกตัวบางทีการไปทำบุญอาจจะไปจบลงที่อุบัติเหตนะุอาจจะหัวร่างข้างแตกอาจจะพิ ก, การหรือถึงตายได้อยากจะไปทำบุญนะแต่ว่าไม่ได้ตั้งต้นที่ความรู้สึกตัวแต่ตั้งต้นที่ความหลงความลืมตัวแล้วมันก็บางทีไปไม่ถึงบุญนะ ไปไปไหนก็ไม่รู้นะบางทีแทนที่ทำบุญกับทำบาปด้วยซ้ำเช่นไปตีกันนะผู้ที่ไปทาบุญแต่ว่าเกิดมีการคอมเน์กันทำบุญทอด ป, ป่าทำบุญทอดกับถิน่นทำบุญอ่าฉลองโบสถ์แต่ว่ามีการคอมเมน์กันระหว่างวัยรุ่นลืมตัว ตีกันหัวรังข้างแตกอาจจะถึงตายก็ได้แม้กระทั่งการทำบุญแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีสติแล้วนี้บุญก็กลายเป็นบาปได้นะภาษาอะไรกับการการที่จะรักษาตนให้มีศีลมีธรรม หาออกว่าไม่มีความสึกตัวสีและธรรมมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าถูกความโกรธถูกกิเลสตันหาราคะมันครอบงำใจในขั้นการปฏิบัตินะขั้นพื้นฐานเลยแม้ว่าจะเป็นขั้นพื้นฐานก็คือธาหรือศีลสิ่งที่ประกอบ เป็นส่วนสําคัญมากคือสติความรู้สึกตัวตั้งต้นที่สติตั้งต้นที่ความรู้สึกตัวและสุดท้ายนี่แม้กระทั่งการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากวัตาสงสารก็ต้องอาศัยสติและความรู้สึกตัวตั้งแต่ต้นจนจบนะตั้งแต่การทําความดีขั้นพื้นฐานจนกระทั่งไปถึงการอยู่เหนือ ดีเหนือชั่วอยู่เหนือสึกเหนือทุกนะก็อาศัยตัวนี้แนหะสติอาศัยความรู้สึกตัวอาศัยสิ่งที่หลวงพ่อเขาเรียกว่าเห็นนะไม่เข้าไปเป็นถือแรกเห็นอาการของใจที่มันขึ้นมันลงเป็นบวกเป็นลบเป็นกุศลอกุศลไม่ปล่อยให้อกุศลครอบงาใจ ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกลบนี้มันทิ่มแทงใจต่อไปก็เห็นไม่ใช่แค่เห็นอาการของใจนะแต่เห็นลักษณะของจิตเห็นลักษณะของกายของรูปของนามว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลยมันก็ทาให้กิเลสไม่มีที่ตั้งตัณหาไม่มีที่ตั้ง เมื่อไม่มีกิเลสไม่มีกันหานความทุกข์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร rire? ที่จริงความทุกข์มนเกิดขึ้นนะเมื่อมีความรู้สึกว่ามีฉันนะมีฉันก็ฉันก็เป็นทุกข์ความเป็นทุกข์มันเกิดขึ้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ล, ลอยๆมันต้องเกิดขึ้นจากความที่มีฉันก่อนฉันเป็นทุกข์นะถ้าไม่มีฉันแล้วความเป็นทุกข์มันจะอยู่ที่ไหนจะตั้ง ตรงไหนมันก็ตั้งไม่ได้เหมือนกับฟูดมันจะเกาะได้มันต้องมีกระจกมันต้องมีพื้นมันต้องมีอมันต้องมีที่ให้เกาะนะถ้าไม่มีที่เกาะเป็นที่โล่งเปล่าๆมันก็เกาะไม่ได้ให้ทุกนี่มันทาไมไม่มีตัวฉันเป็นที่เกาะนี่มันก็ไม่สามารถจะเกิดความรู้สึกเป็นทุกได้เลย อันนี้ก็เป็นความจริงนะที่ถ้าเกิดว่าไม่มีปัญญาเป็นปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่เห็นนะเห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นอาการของรูปกับนามกายกับใจเห็นปไปจนถึงลักษณะของมันแล้วปัญญาก็จะเกิดเมื่อปัญญากเกิดแล้วมันก็ไม่มีกิเลส ท, ที่จะ ตั้งขึ้นมาได้ไม่มีกิเลสที่จะมาครอบงําได้แล้วความทุกข์เมื่อไม่มีกิเลสความทุกข์มันจะมาจากไหนอันนี้คือความจริงที่จะเห็นได้ก็จะเกิดจากการปฏิบัตินะวิชาชีวิตนี่แหละนะที่มันถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วก็ปฏิบัตินะอย่างทุ่มเทนะวางใจให้ถูกกส็สามารถพาเราให้พ้นจากความทุกข์ได้ ในขณะที่วิชาทั้งโลกนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีความสุดกสบายนะมีความสำเร็จนะแต่ว่าก็ยังหนีทุกข์ไม่พ้นจนกว่าเราจะมีวิชาชีวิตนะก็ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้อ๋อคำนี้ก็พูดกันท่านนี้นะกราบพระ